หากว่าในโลกนี้คนทั้งโลกต่างรู้จักหน้าที่ระหว่างแม่กับลูกลูกกับแม่อย่างถูกต้องแท้จริงแล้วจะมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมีมนุษย์ที่ไม่เห็นแก่ตัวทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางดีโลกนี้ก็จะมีสันติสุข และสันติภาพท่านพุทธทาสพิขุมีเรื่องอยากจะแบ่งปันกับเพื่อนของเราในเช้าวันนี้ในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของวันแม่ได้ไปอ่านเจอหนังสือ ที่ท่านพุทธทาสเขียนเอาไว้นะคะอาจารย์ที่เขียนเรื่องแม่เอาไว้นะคะท่านใช้ชื่อหนังสือค่อนข้างจะโดนใจอะคะ่ะท่านใช้คําว่าแม่ที่ท่านยังไม่รู้จักฟังแล้วก็งงหูมีด้วยเหรอแม่ที่ยังไม่รู้จักใครไม่รู้จักบ้างว่าแม่คืออะไรค น, นะคะจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะ<ต>ที่เราให้ต้องคิดค่ะแต่ท่านก็ให้ข้อคิดอย่างที่นํามา เปิดรายการเมื่อสักครู่นะคะว่าหากว่าโลกนี้คนทั้งโลกต่างก็รู้จักหน้าที่ระหว่างแม่กับลูกลูกกับแม่อย่างถูกต้องแท้จริงแล้วก็จะมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมีมนุษย์ที่ไม่เห็นแก่ตัวทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางดีโลกนี้ก็จะมีสันติสุขและสันติภาพความหมายของแม่ในทัศนะของท่านพุทธทาสเนี่ยก็แฝงอยู่ในคํากล่าวทั้งหมดนี้เลยค่ะคแต่ท่านก็จะเล่าประมาณว่า เนี่ยที่โลกของเราทุกวันนี้ยังห่างไกลาจากสันติสุขและสันติภาพก็ด้วยว่ามีความเห็นแก่ตัวในระหว่างแม่กับลูกมีความบกพร่องในหน้าที่ระหว่างแม่กับลูกควรแก่การที่เราจะได้มาทำความเข้าใจกันให้ถูกตรงในเรื่องของแม่แล้วก็ลูกและท่านก็บอกว่าถ้าโลกใบนี้ไม่มีแม่อะไรจะเกิดขึ้นคนก็จะไม่เหลือคะ่ะใช่ไหมคะ ในเมื่อไม่มีแม่เกิดขึ้นก็แปลว่าไม่มีลูกแล้วก็จะไม่มีคนเหลืออยู่บนโลกใบนี้ครับซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้หรอกนะคะเราคิดเล่นสนุกสนุกกันเท่านั้นเองแล้วท่านก็บอกว่าแต่ถ้าโลกใบนี้เนี่ยไม่มีแม่ที่ถูกต้องอะไรจะเกิดขึ้นโลกก็คงจะไม่สงบนะครับคงจะวุ่นวายค่ะเพราะความถูกต้องเนี่ยเป็นการจัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบสังคมค่ะเนี่ยคนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมักจะสร้างปัญหาค่ะเนี่ยสร้างความวุ่นวายกับโลก ถูกต้องเลยค่ะท่านแตกเป็นสามประเด็นเลยนะคะท่านบอกว่าถ้าโลกใบนี้ไม่มีแม่ที่ถูกต้องสิ่งที่จะเกิดตามมาคือหนึ่งจะมีแต่คนที่ไม่ใช่คนครสองจะไม่มีคนที่มีจิตใจอย่างคนและสามจะมีลูกที่มีจิตใจอย่างสัตว์ ห, หรือมีจิตใจอย่างลูกสัตว์ชัดไหยคะคนะคะท่านบอกว่าจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ คือคนที่มีความรู้สึกถูกต้องท่านนิยามเลยว่าถ้าเป็นมนุษย์ต้องมีความรู้สึกให้ถูกต้องถ้ายังมีความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องนี้ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ยังไม่ได้ครับความสําคัญของแม่อยู่ตรงนี้ล่ะค่ะเพราะว่าแม่เนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเรื่องทางจิตวิญ ญ, ญาณทางวัฒนธรรมให้กับชีวิตที่เกิดมาใหม่ในสังคมเพื่อที่เขาจะได้พัฒนาความเป็นคนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครับก็จะบอกว่า ครูคนแรกของเราก็คือคุณแม่เป็นครูคุณแรกที่สอนให้เรากินให้เรานอนให้เราเดินให้เรารู้จักพูดให้รู้จักการใช้ชีวิตสอนแม้ทั่งการคลองเลือนวิธีตายก็สอนเหมือนกันนะอา <c oughs> จารย์คะอาจารย์เคยคิดไ้มคะว่าแม่เนี่ยมีกี่ชนิดถ้าแม่จริงๆก็มีชนิดเดียว <c oughs> เรอค่ะแต่ว่าความแตกต่างของแม่นี่อาจจะต่างกันที่อุปนิสัยใจคอเลอะค่ะท <c oughs> ่านพุทธทาบอกว่าแม่มี2ชนิดค่ะครับ คือแม่ชนิดที่ไม่เลี้ยงลูกกับแม่ชนิดที่เลี้ยงลูกความหมายของท่านนะคะแม่ชนิดที่ไม่เลี้ยงลูกก็คือแม่น้ําแม่ไม้แม่ฝาแม่ประตูแม่พวกนี้ไม่ต้องเลี้ยงลูกแต่ได้เป็นแม่ตลอดนะคะได้มีฐานะของแม่แต่แม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยท่านเล่าว่าเป็นตัวอย่างนะคะเช่นแม่สัตว์ก็ต้องเลี้ยงลูกแม่ไก่นะคะแม่หมาอะไรเงี้ยเขาก็เลี้ยงลูก แม่คนเนี่ยต้องเลี้ยงอยู่แล้วมีอีกแม่นึ่งค่ะอ่านแล้วก็ยังตกใจอุ๊ยนับด้วยเหรออท่านบอกว่าดวงอาทิตย์ก็เป็นแม่แสดงว่าความเป็นแม่เนี่ต้องอยู่ที่ความยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยนะค่ะดังค่ะดวงอาทิตย์แล้วก็แม่น้ำํำค่ะแม่พระธรณีวันนี้ก็ถือว่าเป็นความยิ่ให่พระธรณีก็ไม่ต้องเลี้ยงลูกค่ะครับความยิ่งใหญ่คือความเป็นแม่อาจารย์นึกออกไหมคะว่าทําไมดวงอาทิตย์ถึงได้เป็นแม่ เพราะว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงในการเวลาที่นานโพ้นมาแล้วนะคะและส่วนที่แตกออกจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะก็คือออกมาเป็นดาวเคราะห์ต่างๆทั้ง8ทั้งเก้าดวงที่หมุนบนอยู่รอบสุริยะจักรวาล น, นี้ไง ค, ะค่ะที่เราเรียนวิทยาศาสตร์มาสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยนะคะคดวงอาทิตย์นี่เป็นต้นกาเนิดของดาวเคราะห์ต่างๆ แตกออกมาจากดวงอาทิตย์อีกทีหนึง่งแล้วก็แต่และดวงเนี่ยก็จะวิ่งบนเป็นดาวนโเาคะค่ะก็จะวิ่งวนอยู่ในวงของตัวเองแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็มีหน้าที่ควบคุมให้ลูกๆทั้งแปดทั้งเก้าเนี่ยวิ่งวนให้เป็นปกติไม่ให้วิ่งชนกันครับในโลกเร า, าก็คือส่วนหนึ่งค่ะเป็นแม่ในสองฐานะคือในฐานะผู้ให้กําเนิดคือดาวนพปาคอต่างๆแตกไปจากดวงอาทิตย์และสองคือพวกควบคุมดูแลให้ดวงดาวต่างๆ ทำหน้าที่ของตัวเองให้เป็นปกติอันนี้ก็ถึงได้เปรียบเทียบว่าดวงอาทิตย์ก็เป็นแม่มีลูกอยู่เก้าคนค่ะอันนี้ก็เล่าเป็นเกล็ดให้ฟังสนุกสนุกเท่านั้นเองนะคะแล้วท่านก็พูดถึงว่าแม่คืออะไรในทัศนะของลูกถ้าเผือว่าไปถามลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงอาจจะบอกว่าอ๋อแม่เลี้ยงก็คือคนที่เกลียดฉันที่สุดในโลกไงล่ะ อ, อ, อันนี้ก็ ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนี้เลยนะคะแต่เห็นว่าจะมีน้ำหนักค่ะส่วนถ้าไปถามลูกตัวนะคะลูกตัวของคุณแม่เองก็อาจจะบอกว่าโอ้ oh, แม่เหรอแม่คือคนที่รักฉันมากที่สุดเลยอาจจะเป็นอย่างกั้นนะคะคแต่ในลักษณะที่กลับกันนะคะถ้าไปถามแม่ว่าลูกเลี้ยงคืออะไรก็คงจะตอบทํานองเดีวยวกันว่าลูกเลี้ยงเหรอก็คือสิ่งที่ฉันเกรดที่สุดไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ในขณะที่เธอถามคุณแม่ว่าแล้วลูกตัวรู้สึกยังไงก็คงจะตอบคล้ายๆกันว่าก็คือสิ่งที่ฉันรักมากที่สุดไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ต่างขั้วกันนี้ถ้าถามว่าความหมายของแม่ในทัศนะอื่นๆท่านก็รวบรวมไว้ค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์มากมายทีเดียวท่านบอกว่าถ้าไปถามคนที่เคร่งาศาสนาหรือว่ากันตามพระคัมภีร์เนี่ย แม่เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีบุญคุณชนิดตอบแทนกันไม่ไหวเลยทีเดียวครับแต่ถ้าไปถามนักวิทยาศาสตร์ว่าแม่คืออะไรเขาก็คงจะตอบประมาณว่าก็คือผู้ที่มีชีวิตมาพอถึงขนาดก็สืบพันก็เลยได้เป็นแม่มแต่ถ้าไปถามพระอรหันต์ท่านก็คงจะตอบว่าผู้ที่จะสร้างมนุษย์เนี่ยให้มาเป็นพระอรหันต์อย่างฉันไงครับนะคะแต่ถ้าไปถาม แม่ของลูกไก่อาจารย์ลองไทยใช่ลูกไก่จะตอบว่ายังไงลูกไก่ก็เอาไปซุกปีกแล้วก็หากินให้ค่ะคุยเขี้ยให้ลูกได้กินก็เนี่ยท่านพุทธรราตบอกว่าลูกไก่ก็จะตอบว่าแม่เหรอแม่ก็คือผู้ที่มุงหลังคาให้ฉันตอดเวลาไงล่าซึ่งจริงๆนะคะเพราะว่าลูกไก่เนี่ยจะมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือจะถูกกกอยู่ใต้ อ, อกใต้<ด>ปีก<ป>ของแม่ใช่ไหมคะก็จะเหมือนเป็นหลังทายที่มุงอยู่ตลอดเวลาครับจินตนาการน่ารักมากเลยคะ่ะตรงนี้ะนะคะเดี๋ยวถ้าไปถามลูกหมาอาจารย์คิดว่าลูกหมาจะตอบว่ายังไงลูกหมาก็าไว้ดูดนมค่ะท่านพุทธาบอกว่าถ้าไปถามลูกหมาลูกหมาก็จะบอกว่าแม่เหรอแม่ก็คือผู้ที่คุ้มครองไม่ให้ใครมารังแกฉันไงล่ะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะคน่ารักดีแล้วลูกปลาล่ะคะลูกปลาจะตอบว่าไงอาจารย์ลองทายสิคะ ลกปลาเลยก็ไว้ไว้ไหวตามกันแล้ว嘛อันนี้เป็นความรู้ที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าปลานี่มีสองประเภทปลาประเภทอาคาริกกับอนาคาริคโอคํานี้สูงนะค่ะ <Yeah. S 1> อาคาริกท่านพูดถึงประมาณว่ามีบ้านเป็นเรื่องเป็นราวอ oh. นะคะมีที่อยู่เป็นที่เป็นทางเอ่อพวกอาคาริกเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงแล้วก็คุ้มครองลูกของเขาอย่างยิ่ง เรียกว่าดูแลกันอย่างทนุถนอมแต่ถ้าเป็นพวกอนาคาริกเนี่ยท่านยกตัวอย่างเป็นพวกปลาตะเพียนนะคะปลาตะเพียนเนี่ยเขาจะไข่เลี้ยลาดไปเลยนะคะเห็นท่านบอกว่าเวลาที่เขาท้องแล้วมีไข่ใช่ไหมคะเวลาน้ามามากๆเขาก็จะไข่ลาดไปเลยแล้วก็แล้วแต่ว่าไข่จะไปตกอยู่ตรงไห น, นแล้วก็จเจริญเ ต, ติบโตเป็นตัวไปเองโดยที่ลูกปลาจะไม่รู้เลยว่าแม่อยู่ไหน ก็จะไม่เคยรู้เรื่องของแม่เขาเลยเพราะแม่เขาไขาแล้วก็ไปไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงค่ะไม่ได้ทำคลอดด้วยเนะาะไขแล้วไปเลยส่วนถ้าไปถามลูกยุงลูกยุงก็จะยิ่งแย่เยอะเลยค่ะเพราะลูกยุงเนี่ยมาจากลูกน้ําใช่ไหมคะครับแล้วลูกน้ําก็ไม่เคยรู้จักแม่ยุงที่มาไข่เลยก็ไม่รู้เหมือนกันแม่อยู่ไหนนี้ถ้าถามลูกปูล่ะคะอาจารย์อืมลูกปูนี่ก็เห็นมีแต่เดินตามแล้วก็มีรู้เป็นที่อยู่ คันว่าลูกปูเนี่ยก็คงจะบอกว่าแม่ของฉันเหรอแม่ของช้าน่ก็คือผู้ที่ดีแต่จะสอนให้ฉันนะเดินตรงแล้วแกเองอ่ะก็เดินไม่ได้น่าคิดนะน่ารักดีค่ะอันนี้ <laughs> แล้วก็มีแม่ของเชรโรคเนี่นะคะคแม่ของเชรโรคเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ไหนเพราะลูกเชรโรกเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีแม่อยู่ที่ไหนเขาเกิดเองใช่ไหมคะเชร โ, โรคไม่มีแม่ ใช่ไหมคะ mm. เขาก็จะไม่รู้ว่าแม่เขาอยู่ไหน mm. และท่านพุทธทาสก็ตบท้ายลงด้วยแม่ของท่านเองท่านบอกว่าแม่ของท่านคือผู้ที่ถ่ายทอดนิสัยให้มากยิ่งกว่าพ่อครับท่านเน้นคํานี้เลยนะคะแม่คือผู้ที่ถ่ายทอดนิสัยให้มากยิ่งกว่าพ่อแปลว่าคุณแม่นี่ใกล้ชิดกว่าสําหรับตัวท่านเองเนี่ยท่านท่านกล่าวอย่างนั้นนะคะว่าคุณแม่เนี่ยใกล้ชิดกว่าครับ แล้วท่านก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วแม่ก็จะใกล้ชิดกับลูกมากกว่าจะมีกรณีพิเศษครับเท่านั้นในบางครอบครัวที่พ่อมีบทบาทกับลูกมากกว่าแม่ก็ยังเห็นว่าสวนโมกกับพระรามที่เกิดขึ้นมาได้นี่ก็เพราะว่าคุณแม่ท่านอาจย์ุทธาท่านได้สร้างสวนโมกขึ้นมาเพื่อคุณแม่และ ค, คุณแม่ก็สนับสนุนให้ท่านทํางานด้านการเผยแผ่ธรรมะด้วยเรียกว่าเกื้อกูลกันทั้ง บทบาทของลูกแล้วก็บทบาทของแม่เลยนะคะครับบทบาทของทางพุทธศาสนาด้วยค่ะแล้วทีนี้พอเราคุยกันถึงเรื่องบทบาทของแม่แล้วว่าแม่คืออะไรแล้วนะคะเรามาลองคุยกันดูสักนิดหนึ่งว่าแล้วลูกคืออะไรอืมลูกนีก็คือผู้ที่ทําให้แม่ใจอ่อนอ้าวเลยค่ะหรือไม่ <laughs> ก็ลูกลูกคือผู้ที่ทําให้แม่อ่อนใจก็มีเปี่ยนชัดๆวิธีตรงนี้อันนี้ <g ülme> ทัศนาของอาจารย์นะคะครับเอ๊แต่ยังไม่ได้ถามอาจารย์เลยค่ะว่า แล้วแม่ของอาจารย์นะคะในความรู้สึกของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะให้คํานิยามว่าอะไรอ๋อเยอะเลยเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยมีทั้งสองด้านคือแม่ทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะถ้าในทางโลกก็คือจวบไปแล้วเนี่ยคุณแม่ก็คือสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะเนี่ยเป็นสตรีคนแรกแล้วก็เป็นสตรีคนเดียวค่ะเนี่ยที่รักเราอย่างจริงจังอืมนียจะสังเกตดูว่า ไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์คุณแม่ก็อยู่ในใจของเราอยู่เสมอๆเราก็อยู่ในใจท่านเสมอๆไม่ทอดทิ้งในยามที่เราทอแท้สิ้นหวังหรือมีปัญหาชีวิตมีความทุกข์มาครอบงำเนี่ยท่านก็ไม่เคยทอดทิ้งเราอดูแลเอาใจใส่แล้วก็บางทีก็ปลอยเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยกับเราบางทีเป็นทุกข์มากกเราทันทซ้า ไ, สไปสังเกตดูเราไม่เคยร้องไห้ แต่คุณแม่ร้องไห้ในหน้าที่เห็นเรามีความทุกข์มีปัญหาแล้วก่อนนั้นก็ในทางตรงข้ามในยามที่เราท้อแท้หมดหวังท่านก็ให้กําลังใจในยามที่เรามีความสุขประสบผลสาเร็จมีความก้าวหน้าในชีวิตท่านก็เป็นผู้ที่ร่วมพรอยินดีด้วยความจริงใจแสดงความดีด้วยความจริงใจไม่มีการอิจฉาลิสยาอันเนี้ย ถือว่าเป็นคุณแม่ในทางโลก น, นอกจากความห่วงใยดูแลเลี้ยงดูแล้วท่านก็ยังมีคุณแม่ในทางธรรมอันก็สอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราเป็นคนดีทําความดีทําประโยชน์แล้วกระทั่งตัวท่านเองนี่ก็สอนโดยการทําตัวอย่างให้ดูคือแก่ให้เราเห็นแล้วก็มีความแก่มีโรคภัยไข้เจ็บให้เราได้ศึกษาวาอ๋อนี่ถ้าราออายุเท่าท่านเนี่ยเราต้องเป็นอย่างงี้นะสอนเราในทางธรรม ความท้อแท้ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ท่านแสดงออกเนี่ยนี่คือตัวอย่างให้เราได้ศึกษานำหน้าก่อนและต่อไปเราก็จะตามหลังใ น, นหลักเชะนั้นน่สมัยก่อนเพผมเคยคิดว่าคุณแม่ก็คือธนาคารเบิกได้ไม่สิ้นสุดท่านมาอยู่แล้วก็เบิกได้นะเบิกจากกระเป๋าท่านเองเป็นธนาคารเป็นยานภานะในยามป่วยไข้นี่คนที่ยกผมอุ้มผมเนี่ยคุณแม่นะ กีป่ปีคะที่คุณแม่อุ้มอาจารย์มาก็ <c oughs> ประมาณห้าปีได้นะห้าปีแรกครับที่ประสบอุบัติเหตุกลับในช่วงที่เที่ยวตระเวนรักษาในที่ต่างๆเนี่ยคุณพ่อก็ทําหน้าที่ทำอาหากินอยู่กับเรือคุณแม่ก็จะอยู่กับผมนะอยู่กับผมเพื่อจะพาผมไปรักษาโดยการที่รักษาหมอต่างๆเนี่ยไม่มีใครมาช่วยยกหล้วแม่จะช่วยยกยกขึ้นเตียงยกลงรถ อย่างนี้แสดงว่าสมัยก่อนคุณแม่ทองหล่อเนี่ยจะต้องตัวใหญ่กว่าทุกวันนี้เยอะเลยใช่ไหมคะอ๋อใหญ่มากแข็งแรงด้วยนั่นนะสิค่ะพอดูขนาดร่างกายของคุณแม่ตอนนี้แล้วเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าจะอุ้มมาจ้าได้ยังไงคุณแม่เป็นธนาคารเป็นยานพานะแล้วก็เป็นยามระวังภัยนะค่ะเนี่ยในตอนระยะหลังๆนี่ผมไปเยี่ยมท่านเลยค่ะท่านเป็นยามระวังภัยอย่างดีเลยมันมีภัยเยอะหรอไงคะอาจารย์มันไม่ใช่กับเป็นหน้าที่ของท่านนะนะเรานอนอยู่ห่างกันแค่มองเห็นกันเนี่ย เวลาตอนกลางคืนเนี่ยท่านจะสังเกตดูเวลาเราขยับตัวพลิกตั้ขึ้นมาเนี่ยท่านจะลุกขึ้นเอาอะไรหรือเนี่ยถามทุกครั้งที่เวลาผมจะขยับตัวพลิกตัวเนี่ยผมจะเปิดไฟทุกครั้งที่เปิดไฟเนี่ยท่านก็จะลุกขึ้นมาถามว่าเอาอะไรหรือให้ช่วยอะไรไหมตอนหลังผมก็เลยคิดว่าเราจะพลิกตัวเนี่ยเราไม่ควรเปิดไฟเราปิดไฟดีกว่าท่านจะได้มีรู้เมื่อตื่นมาตอนที่ท่านกำลังนอนหลับอุตส่าหแอบพลิกตัวตอนที่ปิดไฟนะ ถ้าเได้ยินเสียงนี่มใช้ไฟฉายฉายมาที่เราบอต้องการอะไรเลยใช่ไเนี่ยเป็นยามระวังไฟระวังไยเราไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยกระทั่งจนบัตรนี้ก็เป็นเช่นนั้นนะในทางโลกท่านก็ดูแลแบบนเนี้ส่วนในทางธรรมอีกด้านหนึ่งก็คือท่านเป็นผู้ให้กำเนิดรูปนามขันธ์หน้าของเราเนี่ยได้มาจากท่านเราควรจะคิดดูว่ารูปนามที่ท่านให้มาเนี่ยท่านคงจะไม่ให้เราไปทำชั่วไม่ให้เราไปทำผิด คงให้เราไปทำความดีทําประโยชน์และที่สำคัญก็คือท่านอยากให้เราไม่เป็นทุกข์สคัญมากเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าอ๋อเนี่ยคือท่านสอนเราในเรื่องของทานธรรมะอันนี้ก็คือทางโลกและทางธรรมการตอบแทนบุญของท่านนี่ก็คือจะเอากายเอาจิตเอารูปนามกันถ้าเราไปทาผิดทาชั่วกันแล้วกันไปทาความดีไปรักษาศีลไปให้ทานไปภาวนาเนี่ยหาทางดับทุกข์ให้กับตัวเรา และที่สำคัญอีกอย่างนึก็คือตอบแทนบุญคุณท่านโดยการให้ท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมทำให้ท่านเนน่บพ้นทุกข์อาศายัยหลักธรรมะเนี่ย